ตอนสี่ขั้นตอนดำเนินสู่การบรรลุธรรมขอากราบนรมิจฉารประคุณเจ้าสัมมณนคุณแม่ชีแล้วก็ญาติที่ทำทุกคนนะก็เป็นอีกอาทิตย์หนึ่งอีกเสารหนึ่งที่เป็นหน้าที่ที่พงคูต้องพูดอะไรนิดนึงเดยจะพอะช่วงที่เรากำลัง เข้าภาษามุ่งมั่นมาเป็นเพียนฝึกจิตฝนะึกกรร ม, มาฐานก็จะไม่พูดเรื่องอื่นจะตรงประเด็นเข้าไปสู่เรื่องจิตนะตอนนี้ก็ต้องขยันพูดบ่อยๆหน่อยหนึ่งนะหลายปีก่อนพูดทั้งวันเลยนะเพราะว่ามันเป็นของใหม่ความเข้าใจ้า ต้องสร้างศรัทธาช่วงหลังมาพระครูก็ไม่ค่อยได้พูดแต่เนื่องจากไม่พูดก็เลยมีความเข้าใจผิดแล้วกเเ็เกิดข้อกังขาขึ้นมาตอนนี้ก็จะจะจ ะ, จะมาทบทวนนะโดยเฉพาะแนวทางซึ่งมันไม่มีแนวทางที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยที่พระครูเน้นเรื่องนี้เนี่ยเน้นมา20ปีพูดยังไงก็พูดเหมือนเก่า แนวทางที่ศูนย์นี่คือไม่มีแนวทางไอ้ที่ไม่มีแนวทางคือแนวทางของเราพวกครูไม่ได้สอนอะไรเลยนะมันเป็นการปฏิบัติธรรมจริงๆปฏิบัติตามธรรมชาติของจิตแต่ละดวงมันเป็นนาน า, น า, นานจิตตังยี่สิบปีพวอครูฝากไว้คําเดียวคือเหวี่ยงทิ้ง <c oughs> ทีนี้ไอ้ตัวเวี่ยงทิ้งเนี่ยถ้าไม่อธิบายให้เข้าใจก็จะเกิดความเข้าใจผิดเหมือนกัน เวียงทิ้งเนี่ยคือสลัดออกสลัดอะไรออกนะไม่ได้ไปว่าเราหลังเกียรสิ่งนั้นนะแม้กระทั่งอารมณ์โรคโกรธหลงเราไม่ต้องสลัดหรอกวิธีเรามันเวียงแรงเวียงนี้มันกำลังออกเองแต่เราเวียงความยึดมั่นถือมั่นคำว่าเวียงทิ้งเหมือนเตือนสติเราว่าอย่าไปติดมันนะอย่าไปติดมันนะคล้ายๆอย่างนั้นนะทีนี้ สมัยก่อนในสมาธิแบบหนึ่งเขาเรียกว่าหมุนไหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนมุนมุนติดปีก็หมุนอยู่ตรงนั้นแหละบางทีไม่ได้หมุนออกมันหมุนเข้าด้วยภาษานี่บางทีมันเป็นมันเป็นตัวทำให้เราเข้าใจผิดมันเป็นตัวบล็อกเราไว้นะแลวคำว่าเบี่ยงทิ้งเนี่ยโดยตัวมันเองเนี่ยถ้าเราไม่ทำความเข้าใจจะมีความรู้สึกในทางว่าเหมือนเราลังเกียจมันเอาเบี่ยงทิ้งนะ ทีนี้พ่อครูยังหาภาษาพูดที่คิดว่ามันมันมันสั้นๆ้นแล้วมันใกล้เคียงเพราะเพราะไอ้คานี้มันต้องใช้ทุกทุกวินาทีมันต้องเร็วแล้วก็ทันเหตุการณ์เพราะรูปนามมันเกิดดับเร็วมากแต่ว่าจะให้พวกเราเข้าใจว่าเวี่ยงทิ้งเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเรารังเกียจสิ่งนั้นนะเป็นการเตือนสติว่าอย่าไปติดมันนะสลัดออกนะ นะสลัดออกสลัดออกสลัดออกนะไม่ได้ลังเกียจแม้กระทั่งความโลกโวดหลงนั้นไม่ได้เป็นสลัดความโลกโกวดหลงทิ้งสลัดความยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งนั้นทิ้งคือเตือนจิตเราว่าอย่าไปติดนะอย่าไปติดนะนะเรื่องนี้สำคัญมากโดยเฉพาะคนที่รีวายไปสู่อดีตชาติได้ยิ่งต้องระวังไม่ได้ให้ไปติดอดีตนะ ให้ไปรู้เท่าทันอดีตสักเตวารู้คําว่าสักเตวารู้เนี่ยนะหรือตอนคืนนี้พระครูจะพูดเรื่องเฝ้ามองเป็นภาษาที่เขาใช้ทางพุทธศาสนาซึ่งมันก็เข้ากับคล้ายๆตัวสักเตวารู้สักเตว่าเห็นนะั่นแ่ะคือเฝ้ามองดูไม่ใช่ไปตามรู้ไม่ใช่ไปตามดูไม่ใช่ไปเพ่งพิจารณานะไอ้กลับดักของคําว่าตามรู้ไปตามดูเนี่ยมันแฝงด้วยความตั้นหา แฝงด้วยความอยากรู้อยากเห็นนะมันยังแฝงด้วยนิสัยเราเนี่ยถูกบ่วงเพาะมาโดยเฉพาะชีวิตนี้เราถูกสอนให้เป็นนักเรียนรู้เราเลยพยายามจะเรียนรู้ทุกอย่างทั้งอ่านหนังสือทั้งคนควกาวิจัยเข้าไปในอินเทอร์เน็ตอะไรตามรู้ตามดูหมดเพราะว่าเราอยากรู้เราจะติดบ่วงตัวตันหาเนี่ยนะราโดยเราไม่รู้ตัวนะแล้วเมื่อเราไปตามรู้ไปตามดูอารมณ์นั้นแล้วเนี่ย มันง่ายมากที่จะถูกมันดูดเข้าไปจะถูกอารมณ์นั้นโดยเฉพาะมีกระแสกรรมถ้าลูกโตๆแล้วมันจะดูดเราเข้าไปแล้วเราจะไปทำตามอารมณ์นั้นนะการเฝ้าดูเนี่ยเหมือนเราเป็นคนเฝ้าบ้านเนี่ยเฝ้าดูเฉยๆนะความเฝ้าดูตรงนี้เนี่ยต้องไม่แฝงด้วยเอ่ อ, อ, อความรู้สึกที่จะไปไฝ่หาอะไรแสวงหาอะไร นะต้องไม่มีอารมณ์ตรงนี้แล้วก็ต้องไม่มีอารมณ์ที่คิดว่าคล้ายๆไปอไปผลักไสไล่ส่งตัวนั้นคือสัตธวรมรู้อยู่กลางๆสัตธวรมรู้คือว่าเฝ้าดูไม่มีอารมณ์อยากได้หรือไม่อยากได้ถ้าไม่อยากได้ไปผลักไสมันเนี่ยมันเป็นวิภาวะตัณหามันก็เป็นตัวไม่อยากก็เป็นตัณหาเหมือนกันอถ้าเรา ไปตามดูตามรู้หรือว่าเราทำเพื่อมีเจตน า, าไปอยากได้อะไรนี่มันเป็นตัญหานะการเฝ้ามองต้องจิตอย่างกลางๆไม่ได้แฝงด้วยความอยากอะไรเลยทั้งอยากถึงไม่อยากคือเฝ้าเฝ้ามองนะก็คืออารมณ์เฝ้ามองก็คือว่าสัตย์แ่ว่ารู้เราไม่อยากรู้อะไรเลยเพราะธรรมชาติไม่มีอะไรให้รู้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา นะแนวเราซึ่งมันไม่มีแนวเนี่ยยี่สิบปีมาเนี่ยสอนอยู่คำเดียวก็คือเวียงทิ้งบังเอิญมันยังหาภาษาที่มันพูดแล้วก็มันชัดเจนกว่านี้ไม่ได้แต่ในตัวมันเองเพราะกลัวมันปลอดภัยอยู่เพราะตัวมันเองก็คือเวียงตัวมันเองทิ้งไม่ติดเลยไม่ได้ตั้งคำบริกรรมอะไรเลยนะเพราะว่า ภาษานี่ต้องระวังเนี่ยพเพราะครูต้องต้องช่วงนี้ต้องอธิบายเรื่องภาษานิดหนึ่งถ้าเราเข้าใจภาษาผิดแม้แต่นิดเดียวเนี่ยความเข้าใจผิดเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยดำเนินผิดนะคือเฝ้ามองดูนเะฝ้ามองดูนะคำว่าเวียงทิ้งเนี่ยเราไม่ได้เวียงอารมณ์นั้นทิ้งนะั้นอารมณ์นั้นปล่อยมันปล่อยมันแสดงออกไปเลย นะเวียงทิ้งคือเตือนสติเราเนี่ยเวียงความยึดมั่นถือมั่นทิ้งอย่าไปติดมันเด็ดขาดแต่ไม่ใช่ไปอไปกดดันมันไม่ให้มันแสดงออกอันนี้สําคัญมากนะหลายคนที่ไปติดอยู่กับอารมณ์ในอดีต <c oughs> แล้วก็ไปโกรธตามมันไปดีใจตามมันเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้เราเข้าใจคําว่าเวียงทิ้งปิดนะแต่ไม่ใช่ว่าไม่ให้มัน ปลดปล่อยให้มันปลดปล่อยตามธรรมชาติมันไหลออกมาอยู่แล้วเพราะเราไปเปิดฝาออกมามันก็ไหลอยู่เราก็อาศัยทำมะลงตรงนั้นน่ะเป็นที่ตั้งแห่งการใช้สติเราเนี่ยสักแตว่ว่ารู้ถ้าเรารู้ไม่ทันเนี่ยนะมันก็จะเกิดการปรุงแต่งขึ้นมานะไอ้ น, นี้พูดเรื่องนี้ให้ฟังก่อนเข้าใจสิ่งที่เราดำเนินทีนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องหลักการการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนะ วิปัสสนากรรมฐานเป้าหมายก็ปฏิบัติผลของมันคือเกิดวิปาาัสสนาญาณคือความรู้แจ้งเห็นจริงความเป็นจริงตามธรรมชาติทีนี้ความจริงตามธรรมชาติเนี่ยมันจะมีทั้งฝ่ายบวกฝ่ายลบมันจะเป็นของคู่ตลอดถ้าเราไม่วางจิตเป็นกลางๆเนี่ยเราไปสุดตรงส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วเนี่ย mm. เราจะไม่มีวันเราจะไปเห็นแต่ฝ่ายเดียวอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่เห็นถ้าเราอยู่กลางๆเราจะเห็นทั้งสองด้านเลยเราจะเห็น เห็นธรรมชาติที่แท้จริงนะก็การปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานในพุทธศาสนาเนี่ยเขาก็แยกเป็นการเฝ้ามองเนี่ยนะเป็นสามขั้นตอนและส่วนมากตอนนี้ในสังคมไทยเราก็เอาขั้นตอนที่เริ่มต้นที่ง่ายที่สุดก็คือเฝ้ามองดูอริยบทของกายนะ การเคลื่อนไหวของกายนะมีหลายสำนักนะบางทีสิบสี่จังหวะบ้างบางทีขวาบ้างซ้ายบ้างดูอริยบทยุบหน่อพองหนอนี่เป็นอริยบทของกายหมดเพราะว่ามันเป็นกายซึ่งเป็นลูก ป, ป, ประธรรมซึ่งเรามองเห็นด้วยด้วยตาเนือ้ออันนี้มันง่ายหน่อยหนึ่งอันนี้คือขั้นตอนแรกนะอันนี้คือขั้นตอนแรกแต่ถ้าไปอยู่ที่นั่นนานนะไปติดอยู่ที่นั่นนา น, น, านเนี่ยเราก็ได้สมาธิได้สติบ้าง นะเราต้องเมื่อชำนาญแล้วเนี่ยเราต้องผ่านไปขั้นตอนที่สองนะคือไปเฝ้ามองอะไรเนะี่ยคำว่าเฝ้ามองนี่ก็คือสักแต่ว่ารู้นะไปเฝ้ามองโดยเราใช้ฐานตรงนั้นนะ่ะเป็นตัวมาสอบทดสอบสติเรานะสติปัฏฐานสี่นะวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยโดยใช้หลักการของสติปัฏฐานสี่ คือกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมทีนี้รวมกันแล้วนี่มันจะมีอยู่สามขั้นตอนแรกที่ต้องดําเนินนะก็คือเฝ้ามองอะไรเฝ้ามองกายกายในกายรู้จักริยบทกายนะแล้วก็พอเราชนานาญแล้วเราก็ต้องผักวางตรง น, นั้นเข้าไปสู่ขั้นตอนที่สองนะขั้นตอนที่สองก็คือไปเฝ้ามองอะไรเฝ้าเฝ้ามองรูป ซึ่งมองไม่เห็นอันนี้ตัวร้ายที่สุดนะรูปซึ่งมองไม่เห็นก็คือความคิดความคิดเนี่ยมันเป็นมโนกรรมแล้วมันคือต้นเหตุของทั้งหมดคิดปุ๊บปุงแต่งปุ๊บเวทนาเกิดทุกอย่างตามมาหมดเลยนะอันนี้คือไปเฝ้ามองรูปมันเป็นรูปนะความคิดเป็นรูปอย่างหนึ่งเสียงที่เราได้ยินก็เป็นรูปอย่างหนึ่งนะแต่เสียงเราจับเสียงได้โดยโดยโดยขึ้นของเสียง เราสัมผัสได้แต่ไอีรูปซึ่งมองไม่เห็นนี่อันนี้อันตรายมากคือความคิดนะมันเป็นมโนกังดันทีไอตัวนี้ละเอียดมากแต่มันก็อยู่ในขั้นตอนที่สองเพราะมั น, มนตัวร่มต้นของอารมณ์ทั้งหมดนะทีนี้ถ้าเราชำนาญแล้วเนี่ยไอตัวนี้เดี๋ยวถ้ามีจังหวะว่างก็ครูจะยกตัวอย่างเป็นบุคลาที่ฐานเกี่ยวกับเรื่องพระโพธิธรรมตักมอไปสนทนาธรรมกับห้องเต้ อะไรเนี่ยนะเดียวกับเรื่องให้ไปไปเฝ้ามองความคิดนะถ้าเราเฝ้ามองความคิดเนี่ยนะแต่ไอตัวนี้มีข้อกํากับอย่างหนึ่งขั้นตอนที่สองเนี่ยคือห้ามตัดสินห้ามตัดสินเด็ดขาดมันคิดดีที่บกเวี่ยงทิ้งคิดชั่วเวี่ยงทิ้งอ่ อย่าไปตัดสินว่ามันถูกหรือมันผิดหรือมันดีมันชั่วเมื่อไหร่ช่วงที่เราไปตัดสินปุ๊บไอตัวเฝ้ามองหลุดทันทีเลยนะที่บอกว่าเอาก็พูดเลยก็ได้ที่ว่าห้องเต้นเนี่ยนิมนต์พระโพธิธรรมเข้าไปสนทนาธรรมพระองค์ก็ถามตักมอหรือพระโพธิธรรมบอกว่าพระองค์เนี่ย ให้คนเนี่ยแปลพระไตรปิฎกแล้วก็สร้างวัดเป็นพันพันวัดเลี้ยงดูพระภิกษุสงฆ์เนี่ยนักบวช น, นี่เป็นพันพันลูกนะพระองค์ได้กุศลไหมพระโพธิธรรมบอกว่าไม่ได้เลยบางทีตกนรกขุมเจ็ดด้วยนะตกใจนะฉันทำตั้งขนาดนี้แล้วเนี่ยทำไมจะไม่ได้นะ อีกข้อหนึ่งจะพูดไปจะบรรยายก็ฐานอีกข้อนึงพระองค์ก็บอกว่าไม่ใช่ฮ่องเต้มีความไม่พอใจมากตั้นแต่เกิดมาไม่เคยมีพระรูปไหนหรืออะไรกล้ามาพูดอย่างนี้แล้วก็ท่านก็ชี้ไปที่บอกว่าให้ฮ่องเต้เ น, นี่ยเคยเห็นตัวเองหรือเปล่า <Yeah. S 1> เคยเห็นตัวเองไหมแล้วถามฮ่องเต้ว่าสงบไหมฮ่องเต้มไม่สงบท่านก็บอกว่าถ้าอยากสงบเนี่ยตีสี่พรุ่งนี้เช้าเนี่ย ให้เสด็จไปที่วัดภูเขาที่พระโพธิธรรมพักอยู่ให้ไปคนเดียวด้วยทองเต้เกิดมาไม่เคยมีใครมาพูดอย่างนี้นอนไม่หลับทั้งคืนนะเพราะอะไรทําธรรมดาไม่พอใจสั่งตัดหัวตัดคอก็ได้แต่สิ่งที่พระโพธิธรรมพูดทั้งหมดเนี่ยมันจี้เข้าไปในใจดำเลยท่านก็พิจารณาไว้ท่านเป็นตึงทองเต้เนี่ปวดดีอย่างไรมาพูดท่านอย่างนี้ ทำดีขนาดนี้ก็บอกว่าไม่ได้อะไรเลยแถมตกนรกขุมเจ็ดอีวเนี่ยนะเพราะอะไรรู้ไหมทำบุญตามบุญมันไม่ได้บุญมันไม่ใช่บุญมันไม่ใช่สุดยตาทานทำแล้วยังมาถามว่าได้ไหมอะไรเนี่ยมันทำด้วยเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ทำเพื่อค้ำยันนายศสรรเสร น, นัน่นแะหละนะฮไอตัวนี้เนี่ยมันมันเป็นบุญกิริยา แล้วก็เห็นเป็นกิริยาในการทำบุญแต่ไม่ใช่บุญกุศลมันไม่ใช่บุญกุศล น, นะทีนี้ฮ่องเต้ก็คิดจนคิดว่าเก่งมาจากไหนอะไรอะไรอะไรตกใจมากกันจะเกิดมาไม่มีใครกล้ามาพูดอย่างนี้แต่พลังของพระโพธิธทรมที่ใส่เข้าไปเนี่ยทำให้ต้องเดินไปก็ไปคนเดียวเลยไปที่วัดนั้นจริงๆพอไปถึงที่วัดพระโพธิ่ทําก็บอกว่าให้นั่งหลับตา เดี๋ยวจะใช้ไม้เท้านี้ช่วยให้สงบห้องโต้ยก็ห้องเต้ก็คิดใหญ่เลยหลับตาแล้วเขาไม้เท้าหน้ากลัวมากเหมือนโจรเลยคงใส่จะใช้ไม้เท้านี้ตีหัวเราเลยให้สงบเลยมันคือสงบแบบนั้นน่ะนะคิดอยู่นั้นพระโพธิธรรมก็เลยบอกให้ห้องเต้บอกว่าให้เฝ้ามองความคิดก็รู้ว่ากำลังคิดอยู่ไบอกให้เฝ้ามองความคิดทีน่นิหาความคิดใหญ่เลยหาอย่างไรก็ไม่เจอ หาอยู่หลายชั่วโมงไม่เจอเลยเกิดมาไม่เคยสงบนิ่งขนาดนั้นจนนอพระโพธิธรรมต้องต้องเรียกให้ตื่นถ้าเราเฝ้ามองอยู่ตลอดเวลาความคิดเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราหลุดเมื่อไหร่มันคิดสันทีเ น, นี่ย ความคิดมันทําให้เราไม่สงบนะทีนี้ต้องเฝ้ามองนี่แหละคือไอขั้นที่สองที่บอกว่าต้องเข้าไปสู่การเฝ้ามองรูปซึ่งมองไม่เห็นคือตัวความคิดถ้าเรามีสติตลอดเวลามันคิดไม่ได้หรอกที่เราคิดเพราะความอยากที่พ่อคูบอกยี่สิบปีก่อนหลังมันจักระเบิดแล้วเนี่ยพ่อคูกลายเป็นคนซื่อบือ้อไม่มีสมอง เป็นไมเกรนอย่างแรงเลยมันหายประจันทีได้ยี่สิบปีนี้คําว่าปวดหัวไม่มีเเพราะจิตมันไม่โง่ที่จะไปคิดอันนี้ไม่ต้องเฝ้ามองหรอกมันไม่คิดเองไอตัวความคิดนี่คือมโนกรรมคิดดีก็ทุกคิดชั่วก็ทุกคนที่มันคิดเนี่ยเพราะอะไรที่เราคิดเนี่ยคุณอ้วนเนี่ยเพราะครูผมไม่เข้าใจ พราครูไม่คิดมันจะทํางานได้อย่างไรบอกคุณอ้วนก่อนนี่อยู่กรุงเทพทำโรงงานลูกชิ้นจะไม่ใช่เวลาทํางานลูกชิ้นเนี่ยคิดหรือเปล่าไม่ได้คิดกินข้าวไม่ได้คิดขับรถไม่ได้คิดพูดไม่ต้องคิดเวลาที่เราคิดคือเรามีอนาคตเราอยากให้มันดีขึ้นถ้าคุณอ้วนทาลูกชิ้นอยู่เนี่ยก็พิจารณาไปด้วยคิดว่างทำยังไงมันจะดีขึ้นอ่ะคิดละแต่ถ้าเราไม่มีความอยากแล้วมันก็ทําเพราะทํามันจะไปคิดทําไมทํางานไม่ต้องคิด ก็เพราะเราอยากเราจึงคิดมันก็ทําด้วยตัณหาไงก็เป็นกรรมมันมีเจตนาทั้งนั้นแหละมันจะกลายเป็นกรรมคนอื่นไม่รู้จิตเราบันทึกไว้เต็มๆ เ, เลยมันเป็นสัญญาใหม่นะนี่คือขั้นตอนที่สองนะส่วนวิธีว่าจะไปเพ่งไปอะไรต้องระวังไปเพ่งไปตามดูตามรู้เนี่ฮนะส่วนมากจะไปติดล็อกเพราะว่าเราก็ตามดูตามรู้จากความอยากนั่นแหละจากตัณหาเหมือนเก่า สักเทวารู้นะเฝ้ามองรู้อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นนะเฝ้ามองลองเฝ้ามองความคิดสิความคิดมันเกิดไม่ได้หรอกถ้าเราเฝ้ามองนะเวลาเราเผลอปุ๊บ ม, มันคิดทันทีนั่นแหละเพราะว่าอารมณ์เฝ้ามองนั้นมันล่วมันลั่วนะทีนี้อันนี้คือขั้นตอนที่สองเมื่อแข็งแกร่งแล้วเนี่ยให้พัฒนาไปสู่ขั้นตอนที่สาม คือไปเฝ้ามองอะไรเฝ้ามองอารมณ์หรือถ้าทางในในแง่สติปัฏฐานสี่คือเข้าไปในธรรมในธรรมเฝ้ามองอารมณ์อารมณ์ทั้งในอดีตและอารมณ์ปัจจุบันแล้วก็ความรู้สึกอันนี้มันจะมาพร้อมๆกันเมื่อมีอารมณ์โกรธความรู้สึกเป็นยังไง <c oughs> เราเฝ้ามองแต่ถ้าเราเฝ้ามองไม่ทันนะ ไปกำหนดโทษหรือว่าไปลงไป <c oughs> ไปตัดสินเมื่อไหร่เนี่ยไอตัวเฝ้ามองจะหลุดมันจะมีถูกมีผิดมีพอใจไม่พอใจมันจะตามขึ้นมาเฝ้ามองอย่างไม่ต้องตัดสินอะไรเลยไม่ต้องไปตามรู้ไม่ต้องไปตามดูสักแต่ว่าเห็นปุ๊บเบี่ยงทิ้งคือเตือนสติว่าอย่าไปยึดติดกับมันแต่แนวเราต้องระวังมากที่สุดอารมณ์ต่างๆในอดีตมันก็ลงไหลออกมาเนี่ย แล้วก็เฝ้ามองมันสักแต่วรู้นะถ้าเราไปอินกับมันเมื่อไหร่เนี่ยเราจะไปทําตามมันเป็นกรรมใหม่ด้วยนะบันทึกสัญญาใหม่ทันทีเลยถ้ามันคิดปรุงแต่งปุ๊บเนี่ยนะเมื่อเราไปกําหนดโทษหรือว่าเราไปตัดสินเขาเมื่อไหร่เนี่ยไอตัวเฝ้ามองมันจะรู้นะคํำว่าเบี่ยงจริ้งจึ ง, งเป็นตัวเตือนสติสักแต่ว่ารู้ผ่านสักแต่วรู้ผ่านผ่านผ่านแต่กิริยาไ ม, ม่แสดงออกเห็นไหม แนวที่เราทํามันมีทั้งสามขั้นตอนอยู่แล้วกายเวทนาจิตธรรมมันออกมาทางกายภาพอีกแล้วไม่ต้องไปสร้างฐานใหม่เลยไม่ต้องไปเพ่งดูอะไรเนี่ยนะเพียงแต่ว่าต้องจำไว้แม่นๆเฝ้ามองสักแต่ว่ารู้มีสติตลอดเวลามันไหลออกรู้ไม่ใช่ว่าไปอยากรู้เมื่อไหร่หรือว่าไปกําหนดตัดสินเมื่อไหร่ว่าชอบไม่ชอบเมื่อไหร่เนี่ยมันดึงเราเข้าไปเลยนะนี่ไอนนี้เข้าใจนี่คือ ปฏิบัติวิปั ส, สนากรรมฐานก็มีสามขั้นตอนใหญ่ๆ <c oughs> ทีนี้ขั้นตอนที่สี่ทำไมบอกว่ามีสามขั้นตอนเพรมีขั้นตอนที่สี่ขั้นตอนที่สี่นี่คือผลของมันอันนี้ไม่ต้องปฏิบัติไม่ใช่ไปรกำหนดอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นจากเราดําเนินสามขั้นตอนมันมันจะมีอินทรีย์แก่ก้าวแต่แต่ละคนมันจะเกิดไม่เหมือนกันนะมันจะเกิดขึ้นมามันคือผลของมันนะั่นนหะ ไอตัวนั้นน่ะไปกําหนดอยากปฏิบัติให้มันเป็นหรือไปคิดให้มันเป็นไม่ได้ธรรมะสรรพสิ่งมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติของมันไม่ได้เกิดจากการนึกคิดอันนี้คือผลของมันจะตามมาบางครั้งมีลมคล้ายๆว่าลูกโป่งลอยขึ้นไปมันกําลังจะขาดเนี่ยถ้าขาดแล้วหัวใจเรามันสิว่ามันยางมันขาดปุ๊บหัวใจเรามันจะขาดใจตายเหมือนกันอะไรก็แล้วแต่อันนี้คือผลของมัน เรามีหน้าที่ก็เหมือนเดิมก็คือสัตว์แต่ว่ารู้แล้วก็ถ้ามีอารมณ์นั้นเกิดขึ้นเนี่ยไม่ต้องไปรู้ด้วยนะเราเข้าไปอยู่กับมันเลยเราเป็นตัวนั้นเลยจิตต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวไม่มีจิตในจิตแล้วคือโดดเข้าไปร่วมกับมันเลยนะเราก็คือสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็คือเราถ้าเราเผลอเมื่มอไหร่เราไปคิดแม้แต่นิดเดียว นะเพราะเราก็มองไม่ทันปุ๊บเราไปคิดปุ๊บลั่วเลยคล้ายๆลูกโป่งกำลังเป่าเป่าเป่าเ ป, าเปานะมันจะคิดกลัวบ้างคิดสงสัยบ้างคิดอะไรบ้างเนี่ยลูกโป่งมันจะแฟบทันทีเลยนะฮถ้าถึงขั้นตอนที่สี่แล้วเนี่ยต้องไม่มีผู้รู้ด้วยไม่มีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้จิตต้องรวมเป็นหนึ่งไอ้ตัวที่กาลังเกิดนั้นคือจิตโดดเข้าไปเลย ต้องถวายชีวิตจาไว้นะขั้นตอนที่สี่นั้นไม่ไปกาหนดให้มันเกิดขึ้นไม่ได้มันคือผลที่เราเดาเนินสามขั้นตอนต่อเนื่องสะสมพลังอย่างมหาศาลนะแล้วมันก็จะเกิดผลของมันนั้นคือขั้นตอนที่สี่นะบางทีระเบิดเป็นเปาะเปาะเป็นโปรแกรมโปรแกรมระเบิดโปรแกรมนี้ก็สว่างขึ้นก็ก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง แต่ถ้ามันเบิดระเบิดลูกใหญ่ๆคือระเบิดมันจะเข้าไปสู่แกนกลางของจิตการดำรงอยู่ของจิตทแท้ๆคือตัวตนของเราคืออัตตาตัวนั้นนะนี่คือผลของของขั้นที่สี่นะมันจะเกิดผลเข้าไปตรนั้นถ้ามันระเบิดตรงนั้นทิ้งได้เนี่ยเมื่อตัวเราไม่มีนี่แหละคือสภาวะไม่มีจิตไม่ใช่ไม่มีจิตนะจิตตัวนั้นไม่มีตัวตนแล้ว อันนั้นก็คือจบแต่ไปตั้งใจไปปฏิบัติไปทำยังไงให้มันเกิดขึ้นไม่ได้มันเกิดขึ้นมันคือผลของการดำเนินสามขั้นตอนนี้นะและสิ่งที่เรากาลังปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้เวลานี้เนี่ยในสามขั้นตอนนั้นครบตลอดไม่แต่ว่าดำเนินไปได้เรื่อยดเนินไป้เรื่อยนะไม่ต้องไปกังวลสงสัยอะไร ตั้งแต่เริ่มขั้นตอนที่สองเนี่ยสำคัญอย่าไปตัดสินตัดสินก็คือปุ๊บไอ้เฝ้ามองมันจะแฟบเลยความคิดเกิดขึ้นทันทีให้ทำตัวยังไงทำางอารมณ์ยังไงคลายเมฆหมอกลอยไปลอยมาฟ้าย่อมเป็นฟ้าเราต้องเป็นฟ้าอย่าไปตัดสินว่าไอ้เมฆสีดำนี่ไม่ดีเมฆสีขาวมันดีมันสักแต่ว่าลอยไปลอยมาเราเป็นฟ้าก็สักแต่ว่าดูมัน นะอันนี้ขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สามเนี่ยทําตัวเองเหมือนเราเป็นกระจกเงาเ อ, อคนสวยๆมายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ตัดสินคนขี้เหร่มาอยู่ตรงนี้ในเง า, ม, เา ม, ม, ม, เมันก็ไม่ตัดสินไม่มีคนเลยมันก็ไม่ตัดสินมันว่างอยู่ตลอดเวลาต้องมีอารมณ์แบบนั้นถ้าเราเผลอไปปรุงแต่งหรือไป ตัดสินมันเมื่อไหร่ปุ๊บไอ ส, สติตัวเฝ้ามองหลุดทันทีนะทีนี้ก็กลับมาย้อนดูว่า เ, าเมื่อเป็นแค่นี้เองเนี่ยเราทำไมต้องย้อนไปสู่อดีตนะเพราะครูพูดเองว่าที่เราไปเพ่งดูแม่น้ำหนึ่งเนี่ยนะไปเพ่งดูเออมันไหลไวววววแล้วก็มองเห็นมันวนะอันนั้นอย่างการเป็นเพ่งพิจารณานะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องพิจารณาอะไร สักแต่ว่าเห็นนะแต่ว่ามันก็เห็นแค่เปลือกมันไหลอยู่อย่างงี้ที่เราโดดเข้าไปในอดีตเข้าไปในธรรมในธรรมเนี่ยนะโดดเข้าไปเนี่ยไม่ใช่ไปยึดติดมันนะไม่ไม่ใช่ไปติดอารมณ์นั้นนะโดดเข้าไปสัมผัสสิ่งที่ละเอียดขึ้นเราจะเข้ารู้อารมณ์อารมณ์ของน้ํารู้กระแสน้ำรู้ความเย็นร้อนของมันนะแต่ไม่ใช่ไปติดมันนะ เข้าไปเรียนรู้กับมันอันนั้นคือขั้นตอนที่สามคือทำในทำเลยหล่ะทุกวันนี้เราแค่ขั้นต้นดูแค่กายภาพของมันดูแค่อริยบทของกายดูแค่กายภาพของน้ำนะแล้วยังใช้วิธีเพ่งพิจารณาอันนั้นมันเกิดแค่จินตมยปัญญาปัญญาซึ่งเกิดจากการคิดคาดคะเนถ้าคิดเก่งๆเนี่ยมีประสบการณ์ก็คาดคะเนใกล้เคียงหน่อยเท่านั้นเอง มันยังไม่ใช่ของกี่นะเอาเป็นว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันมีประโยชน์มหาศาลแต่ถ้าไม่เข้าใจแล้วเป็นโทษมหาศาลเหมือนกันอะไรที่มันเร็วมันก็ต้องแรงผลตีกลับมันแรงมากเหมือนกันนะแา่ที่พวอครูบอกว่า20ปีก่อนกับกับตอนนี้เนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแหลสะสภาวะ ขึ้นเวรขึน้นกรรมขึ้นโลกขึ้นจกกาาักรวาลเนี่ยมันก็เปลี่ยนเราค่อนข้างจะไม่มีเวลาละไปต้มต้งเตี้ยมเตียมไม่ทันละกระแสตอนนั้นมันเหมือนอะไรถ้าอยู่ในน้ำก็เหมือนน้ำป่ามาันมาละนะไอคนที่ไม่เคยไหว้ทวนกระแสเลยไม่ต้องพูดถึงมันมาก็ไปเลยละนะพวกเราต้องฝึกให้มีพลักกาลังที่เหนือกว่าไม่งั้น เราต้านไม่อยู่เพราะครูจึงใช้คนว่าต้องวัดดวงต้องวัดดวงนะขึ้นมันแรงมากบันะเงเอิญแนวที่เราทำที่มันไม่มีแนวเนี่ยะมันจะไปตรงกับจลิตของแต่ละคนนะไม่ใช่ว่าทุกคนต้องเหมือนกันมันไม่เหมือนกันนะสำคัญว่าไอ้แรงเบี่ยงนี้มันจะช่วยให้เราเป็นเอกคตาลมได้เร็วขึ้น เหมือนมอเตอร์ไซค์สองคันคันหนึ่งจอดไว้เฉยๆคันหนึ่งมอเตอร์ไซค์ใส่ถังเห็นไหมเราดูได้ตาเนื้อมีความรู้สึกว่าไอ้จอดไว้เฉยๆมันนิ่งกว่าไอ้มอเตอร์ไซค์ใส่ถังมันไม่นิ่งแต่เราลองดูนะเอานิ้วเดียวนี่ไปผลักไอ้ที่จอดอยู่นี่ล้มเลยนิ่งอย่างไม่มีพลังแต่มอเตอร์ไซค์ใส่ถังเอามือเข้าไปมือขาดเลยนะนิ่งอยู่การเคลื่อนไหวมันมีพลังเวียนพลังตัวนี้แหละทําให้เราทวนกระแสนั้นได้ ชีวิตที่เราถอยมาอย่างนี้แน่นอนที่สุดทุกคนปฏิเสธไม่ได้เรากำลังวิ่งทวนกระแสโลกเราตามโลกไปตลอดชีวิตเราก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่วันนี้เพื่อนรุ่นน้องพระครูก็โผล่มาตอนมาอเมริกาใหม่ๆเขาเขาก็วิ่งมาหาพระครูทีหนึ่งเพราะว่าเขาถือว่าเขาเป็นสอจอตอนนั้นพวกครูเป็นสามปีพ่อครูลาวมาสมัครผู้แทนนะ เขาก็มากราบขอให้พ่อครูช่วยพรอครูก็ช่วยเขาก็เป็นแทนเขาก็อยู่ในวงการการเมืองมาก็สร้างฐานะอะไรร่ํารวยขึ้นมาพอสมควรระดับหนึ่งอยู่ๆเริ่มทุกข์ละนะยี่สิบปีเข้ามาเข้ามาแล้วไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นตังทําไมต้องเป็นปีนี้และปีนี้ทําไมศูนเราถึงเกิดอะไรเยอะแยะเลยบางคนบอกว่าที่สูนนี่มีคลื่นพ่อครูบอกใช่แล้ว เป็นขึ้นบริสุทธิ์ที่ระบ่งพ่อมายี่สิบปีเปรียบเสมือนอะไรรู้ไหมเปรียบเสมือนเขาเรียกว่าเดซีหรือว่าไอทะเลดำเอาที่น็อตโอนอ้วนเนี่ยโย่ลงไปก็ลอยทุกป่องทุกป่องขึ้นมาจิตที่ไม่ตั้งมั่นหรือมีอคติแล้วเนี่ยกบเกิอนอย่างไรก็ไม่อยู่มันจะลอยขึ้นมาหมดแต่ถ้าจิตที่บริสุทธิ์นะ่พลังบริสุทธิ์นั้นจะขับเคลื่อนให้เขาเดินไปข้างหน้ามันมีพลัง นะแล้วทำไมต้องเป็นปีนี้ทาไมไม่เป็นปีที่แล้วหรือสามปีก่อนมันยังไม่ถึงเวลานั่นะมันยังไม่ถึงเวลาถึงเรื่องนี้มันตอบเป็นเหตุผลแบบตักกะอะไรยากมากมันเป็นยานสัมผัสเป็นยานสัมผัสนะก็จะสรุปอีกิีหนึ่งขั้นตอนที่สี่นั้นทำไมถึงบอกว่า ไปตั้งใจปฏิบัติหรืออยากให้มันเกิดขึ้นอะไรๆเนี่ยยิ่งอยากมันยิ่งไม่เกิดมันคือเหมือนรางวัลอ่ะคือผลที่เราเราดําเนินมาเราขยันเรามีวิรยิยะเราสร้างบา ร, รมีขันติบา ร, รมีวิรยิยะบา ร, รมีสมาธิสติอะไรมาทั้งหมดเลยนะนั่นคือผลของมันคือรางวัลไม่ใช่ตั้งใจจะไปหาเทคนิคนัวิธีนั้นวิธีนี้ให้มันเกิดแล้วมันระเบิดตุ้งตามเติมอะไรเนี่ย อันนี้ไม่ใช่ขั้นตอนที่สี่นี่คือผลของมันเพียว่าให้เรารับรู้ว่าเมื่ออาการนั้นเกิดขึ้นแล้วนี่อย่าลังเลโดดเข้าไปเลยไม่มีผู้รู้ด้วยไม่มีผู้ไม่มีผู้อผู้เฝ้ามองแล่าสิ่งที่ถูกเฝ้ามองด้วยโดดเข้าไปตรงนั้นเป็นหนึ่งเดียวพลังจะเกิดมหาศาลนะงั้นไม่งั้นก็ถ้าเรา ย, ยังไม่คุ้นเคยเลยพอเราไปกลัวปุ๊บหรืออะไรปุ๊บเนี่ย มันจะรั่วทันทีมันจะรั่วทันทีพลังนั้นจะแฟบเลยนะกว่าจะถึงจุดนั้นได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเรื่องง่ายนะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยไม่ใช่ยากจนอะไรบางทีไม่รู้สี่ห้านาทีมาปฏิบัติก็ตุ้มตุ้มเลยก็มีนะเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแต่ให้เรารู้ว่าเมื่อสภาวะตรงนั้นมันเกิดขึ้นแล้วนี่อย่าลังเลมอบชีวิตให้เขาเลย นะไม่มีผู้เฝ้ามองอีกโดดเข้าไปอยู่ในอารมณ์นั้นร้อยเอร์เซนและอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดนะก็จะพูดเรื่องหนึ่งเป็นบุคลาธิฐานให้เข้าใจขั้นตอนที่สี่เนี่ยก็ม ว่านี้พ่อครูก็ไปเปิดหนังสือเล่มหนึ่งเขาก็พูดถึงเรื่องนี้เมื่อกี้ก็จดๆจดจดจดมาอยู่เดี๋ยวจะพูดดูว่าจะจำได้มากน้อยแค่ไหนก็คือเรื่องธรรมดาที่พวกเราดีีไม่ดีเคยเคยผ่านตาเรามาแล้วก็มีสมัยพุทธกาลเนี่ยมีครั้งหนึ่งเกือบปายแล้วล่ะเกือบปายที่พุทธเจ้าพราะองค์ก็อายุอายุมากแล้วตอนนั้นกาลังเดินทางไปอีกหมู่บ้านหนึ่งพร้อมกับพระ อ, อ น, นุ์ เดินไปเดินมาก็ก็พักกันอยู่ระหว่างทางนะพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าอานนท์ต้องพระองค์เสียใจนะที่จะต้องใช้อานนท์เนี่ยกลับเดินกลับถอยไปอีกประมาณสองไมล์สามไมล์ที่เราผ่านมาเมื่อสักครู่นี่จะมีลำน้ำเล็กๆให้พระอานนท์เนี่ยกลับไป ตักน้ำให้พุทธองค์พระองค์บอก่าพระองค์กายน้ำพระอนนก็บอกว่าพระพุทธเจ้าข้าไม่ต้องใช้คำว่าไม่ต้องให้ไม่ต้องเสียใจนะเพราะพระองค์เป็นผู้มีพระคุณนะพระองค์ไม่ได้เป็นคนติดค้างอะไรพระองค์เป็นผู้มีพระคุณเนี่ยเป็นการรื่นรมยอย่างยิ่งที่ได้สนองคุณพระพุทธองค์พระอนนก็เดินทางไป พอไปถึงที่โน้นบังเอิญมีเกวียนสองเล่ม น, นะเกวียนเขาเทียงเกวียนมาสองเล่มเดินผ่านลําน้ํานั้นพอดีมันมีทางลงแค่นั้นเองอนะบางทีมันก็ขุนเลยนะพอขุ่นแล้วไม่ลูกพอกใบไม้เน่าอะไรก็ลอยขึ้นมาเต็มหมดเลยพระนนก็ไม่กล้าตักน้นําตัวนี้กลับไปถวายพระพุทธองค์ก็เดินทางกลับไปก็ไม่ได้พูดอะไรให้ฟังหมดว่ามันเกิดเหตุบางอย่างเนี่ย ไม่สามารถเอาน้ําตรงนั้นมาถาวายพระองค์ได้แต่ไม่เป็นไรหรอกไปข้างหน้าอีกสี่ไม้เนี่ยก็จะเจอลําน้ําใหม่นะพระพุองค์บอกว่าไม่ได้พระองค์ต้องการน้ําในลําน้ํานั้นบอกให้พาน น, นไม่ต้องรออีกแล้วให้กลับไปเดี๋ยวนี้ให้ไปเอาน้ําตรงนั้นมา พรนนก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเมื่อกี้ไปถ้ามีเกวียนสองเล่มเดินผ่านแล้วน้ำมันขุ่นหมดเลยอะไรๆพูดหมดเลยว่ามันเปื้อนมากนะเขามาให้พระ้องค์ฉันได้อย่างไรพระองค์บอกว่าไปเถอะก็ยังยืนยันไปพานนก็ต้องไปโดยมีความรู้สึกลังเลแต่ก็ไปเพราะว่าศรัทธาพอไปถึงล่องน้ำนั้นนะพาะนนก็ตกตะลึงตกใจ เอ๊ะเมื่อกี้มันยังขุ่นอยู่อะไรทำไมมันใสเป็นหมดเลยพระนนก็แจ้งขึ้นมาทันทีอ๋อเข้าใจแล้วที่พระองค์ให้กลับมาเนี่ยนะก็เมื่อกี้มันขุ่นเพราะเกลียนมันไปทำให้มันขุ่นแล้วก็พระนนเองก็พยายามจะไปทำให้มันหายขุ่นก็ลงไปยิ่งขุ่นมากเลยเนี่ยนะมันก็เกิดสว่างขึ้นมาบอกว่าโอ้สัพพสิ่งมันเกิดขึ้นเองแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงในตัวมันเอง แค่ตอนนั้นถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆนั่งเฝ้ามองอยู่อย่าไปทำให้มันขุนเดี๋ยวมันก็ตกตะกอนมันเองมันก็ไหลดีเองของมันนะพระนนท์ก็ได้ธรรมะตอนนั้นก็ตักน้ำกลับมาถวายพระองค์ก็เลยมาพูดความจริงให้ฟังว่าทีแรกมาไม่ได้พูดความจริงให้ฟังทั้งที่ดีพระพุทธองค์พระพุทธองค์รู้หมดแล้วนะนะก็ร้องไห้ใหญ่เลยพระพุทธองค์ก็ถามพระอนุนว่าอนุน เข้าใจหรื อ, อยังพระนรนก็ร้องไห้ใหญ่เลยแล้วก็พูดว่าเนี่ยทีแรกไปก็มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันมีเพวียนอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่สปปรรพสิ่งมันเกิดขึ้นเองแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงเองของมันนะบางทีไม่ต้องไปทําอะไรมันวุ่นวายถ้าเราแฝงด้วยความอยากนะบางทีขยันโง่งๆมันไม่สำเร็จนะทีนี้พระองค์ก็ตัดให้พระ อ, อนุ์ฟังว่าจริงๆแล้วพระองค์ไม่ได้กระหายน้ําหรอก คนที่กระหายคือพระอ น, นุนที่ไปที่ น, นู้นพระอนุนก็ไม่ได้ไปตักน้ำมาถวายพระองค์หรอกน่ะไปเพื่อพิสูจนอะไรสักอย่างหนึง่งพระพุทธองค์เห็นว่าเล่าให้ฟังว่าเมื่อกี้เดินผ่านมาพระองค์ก็เห็นเกียนสองเล่มนั้นนะ่ะเดินอยู่บนเนินดินอยู่พระองค์ก็กะเข้าข้าวว่างคงจะมาถึงล่องนานมันแล้วจึงใช้พระอนุนไปที่ น, น่นอันนี้ในยะเนี่ยมันคือว่าเราต้องยึดศรัทธาไว้ บางทีครูบาจารย์เนี่ย เ, เขาไม่มีเวลามาที่บายว่าต้องทำยังไงเขาบอกให้ทำอะไรเขาไปทำเนี่ยนะแต่ถ้าเราดื้อรั้นอะไรไปติดที่เหตุผลตักกะอะไรอะไรจนมีทิฏฐิมาน่าขึ้นมาเราก็จะพลาดโอกาสอันนี้เรื่องหนึ่งนะแล้วก็สิ่งนี้พระนนก็พูดไปร้องไห้ไปบอกว่าเมื่อไปเห็นลำธารตรงนั้นแล้วตรงนั้นจริงๆแล้วตรงนั้นเน่ะ คือลำทานคือสายทานในจิตใจของท่านอนเองข้างในนั้นมีแต่ความคิดที่เน่าเปื่อยนะมีแต่ความสกรปรกในความคิดนั้นเหมือนลำทานนั้นเลยละ่นะทีนี้ไอการที่จะทำให้ลำทานมันสะอาดหรืออะไรตรงนี้เนี่ยต้องเข้าใจวิธีทำไม่ใช่อยากทำแล้วก็ไปทำยิ่งทำก็ยิ่งคุณ อะไรลักษณะนี้นะอันนี้ก็มาสรุปที่ว่าไอ้ขั้นตอนที่สี่นี้อย่าไปแฝงด้วยความอยากอะไรทั้งนั้นแม้กระทั่งขั้นตอนที่หนึ่งที่สองที่สามเราก็ไม่ได้อยากนะทำจิตใจให้เป็นกลางเฝ้ามองสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเป็นการดำเนินสติเราโดยใช้ฐานต่างๆตรงนั้นเป็นฐานสอบประเมินจิตเราตลอดเวลาเหมือนเราได้ใช้จิตเนี่ยไปฝึกเหมือนนักกีฬาเนี่ยแหละ ไม่ใช่ไปฝึกแข็งแรงเฉยๆไม่เคยลงไปแข่งเลยเนี่ยมันไม่มีประสบการณ์นะขั้นตอนดาเนินจเจริญมากนี่คือต้องเอาสติเอาสมาธิเอาปัญญาที่มีอยู่เนี่ยโดดเข้าไปเลยนะลงไปในสนามเลยดาเนินไปเรื่อยๆแต่ต้องดำเนินแบบไม่แสงด้วยความอยากหรือไม่อยากนะทาจิตเป็นกลางๆแล้วเราจะเห็นสองด้าน แต่ถ้าเราไปถูกฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งดูดเข้าไปแล้วเนึ่เราจะเห็นอะไรด้านเดียวเราจะไม่เห็นความจริงเพราะความจริงตามธรรมชาติมันมีสองด้านตลอดมันเป็นของคู่นะอันนี้ก็ช่วงนี้ก็มีหลายท่านที่ปฏิบัติแล้วก็ไปเจอสภาวะทมอะไรต่างๆนานาเ น, นี่ยนะอันนี้ก็เอาสิ่งที่พระครูพูดไปพิจรารณา แล้วทุกคนไม่ต้องเหมือนกันไม่ใช่ทุกคนต้องไปสู่อดีตนะเพราครูเองสามชั่วโมงเนี่ยไม่ได้ไปอดีตเลยและบังเอิญเป็นบุญเก่าที่พวกผูกค้ครูไม่เคยปฏิบัติมาเลยไม่เคยไปอ่านหนังสือเรื่องปฏิบัติธรรมแม้แต่นหนึ่งเล่มก็เลยไม่ถูกคอกนาโดยอะไรทั้งนั้นไม่ต้องไปตามรู้ตามดูตามเพ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นเราก็ดูมันตามธรรมชาติใช่ไหม แล้วก็ดูมันดูมันดูมันดูมันเห็นไหมมันเต้นตึ๊บตุ๊บตุ๊เราก็รู้มันหมุนเราก็รู้อะไรมันออกปุ๊บเราก็รู้นะมันชาไปหมดเราก็รู้มันเสียตรงนี้เราก็รู้เราไม่ได้มีความอยากรู้ไม่ได้ไปตามดูตามอะไรทั้งนั้นเราไม่ถูกบ่วงไอ้ความรู้แบบไปอ่านมาไปท่องจำมานะโดยเฉพาะธรรมะจริงๆเนี่ยต้องไม่ได้เกิดจาก อุดมการหรืออุดมคติถ้าเกิดจากอุดมการหรืออุดมคติเริ่มต้นเราก็ถูกตัวนั้นบล็อกไว้แล้วนะไอ้ที่เราถูกกิเลสตั้นหาอุปท า, านแล้วกระแสกรรมเราบล็อกไว้นี่ก็หนักหนาสาหัสละยังมาถูกลักที่อุดมการที่เราเชื่อตัวนี้มาบล็อกไวอีกเนี่ยอันนี้หนักหนาสาหาัสมันเหมือนมีประโยชน์แต่มันมีโทษมหา ถึงว่ายี่สิบปีอยู่ที่นี่พวกครูไม่เคยไปนั่งคิดว่าอจะทํำยังไงไม่คิดมันไม่คิดไงทําแบบนี้แหละทําแบบไม่ต้องทําอะไรเลยนี่แหละทําเพราะท ำ, ทำนะเป็นแนวทางซึ่งไม่มีแนวทางบังเอินพวกครูไม่ได้ไปติดบ่วงวิชาการหรือว่าลัทธินั้นลัทธินี้หรือไปเรียนรู้วิธีนั้นวิธีนี้นะมันธรรมชาติเนี่ยไปทําอย่างนั้นไม่ได้ เราจะเอาความสามารถเราทางด้านด้านความรู้ความสามารถแบบวิทยาศาสตร์นี่มาจัดการกับเรื่องจิตนี่ไม่มีทางเป็นไปไม่ได้ต้องปล่อยมันดําเนินไปตามธรรมชาติของของจิตและจิตเราเองเนี่ยอย่าว่าจะจิตในกอในขอไม่เหมือนกันนะจิตเราเองแต่ละช่วงเวลาเนี่ยอารมณ์เขาก็ไม่เหมือนเดิม เราจะไปมีวิธีการเป็นสูตรสาเร็จเป็นเทคนิคอะไรตายตัวเลยเนี่ยมาจัดการกับทุกๆดวงจิตเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่ทุกวันนี้ทําอยู่เป็นอย่างนั้นหมดนะก็ไปชูธงวิธีนั้นวิธีนี้เป็นลัทธิอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยทําให้พุทธศาสนาเราเนี่ยแตกแยกโดยปริยายโดยไม่รู้ตัวนะเพราะครูช่วงนี้กําลังพิจนารณาเรื่องนี้จิตมันกลับมาพิจนารณาเรื่องนี้ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น ศาสนาพุทธต้องสอนให้เราลดละเลิกไงยยิ่งปฏิบัติแล้วก็ยิ่งยิ่งไม่มีทิฏฐิมานะไงตอนนี้คนในศาสนาเองยิ่งมายิ่งทิฏฐิมานะเยอะของเธอของฉันของฉันแท้ของเชอเทียมอันนี้ชูธงสายเอกอันนี้มีสายโทสายตีขัดแย้งกันไปหมดเนี่ยมันภาษาจิตบอกซําสิ่งรองเพราะครูว่ามีอะไรผิดปกติแน่จิตพร ก, กูก็ไปพิจรารณาก็เห็นอ๋อทั้งหมดคือไม่ระวัง ไม่เฝ้ามองอย่างมีสติเพ้อเลอก็ไปติดที่บ่วงความคิดแบบตักกะแล้วก็คิดตามวัตถุนิยมทุนนิยมเข้ามาเลยเนี่ยมันแฝงด้วยเอ่อความอยากทำาอะไรด้วยความโลภโกรธหลงทั้งนั้นเลยเนะเพรากูก็ พ, กพิจนารณาไปเจอคำหนึ่งว่าพระองค์บอกสว์โลกเป็นไปตามกรรมและศาสนาที่พระองค์สร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อ ช่วยเหลือสัตว์โลกให้พ้นทุกข์าำนี้ชัดมากไม่ได้บอกด้วยนะว่าเพื่อให้พุทธศาสนิกระชนพ้นทุกข์แล้วไม่ได้บอกด้วยว่าเพื่อให้มนุษย์พ้นทุกข์ผู้องพูดว่าเพื่อสัตว์โลกพ้นทุกข์เพราะูยิ่งเห็นชัดขึ้นโอ้มันหลงกันเป็นหมดเลยมนุษย์ก็คิดตวว่าโลกมนุษย์แล้วก็เขียนทรมากขึ้นมาเป็นตัวหนังสือบังเอิญตัวหนังสือนี่สัตว์มันอ่านไม่ออก ก็มีแต่มนุษย์อ่านออกเทฉะนั้นธรรมะเลยกลายเป็นของมนุษย์คำว่าสากลเป็นอ i n t e r n a t i o แนลกลายเป็นสากลของมนุษย์พวกครูที่บอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ล่ะความขัดแย้งทั้งโลกมันเกิดขึ้นเพราะเราเข้าใจภาษาผิดหมดทุกศาสนาเข้าใจคําสอนของศาสดาของตัวเองผิดหมดถ้าพุทธศาสนิกชนเราเข้าใจสิ่งนี้อ่นะ ไม่เพียงแค่เราไม่ทะเลาะกันเองหรอกเรายังเผื่อแผ่ให้สัตว์โลกด้วยคนนอกศาสนาด้วยเพราะว่าธรรมะเป็นของสรรพสิ่งไม่ใช่ของมนุษย์ฝ่ายเดียวไอ้บ่วงตัวนี้แหละแค่ภาษาตัวนี้แล้วเราไปเข้าใจภาษาผิดเนี่ยทำให้ทั้งโลกขัดแย้งกันอยู่ทุกวันนี้พ่อครูเลยพยายามหาภาษาว่าเออเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าอย่างไรจริงๆแล้วเนี่ยเรียกมาก็ผิดเพี้ยนแล้วนะ แต่ว่าถ้าเราไม่ใช้ภาษามาสื่อกันเนี่ยมันก็คุยกันไม่รู้เรื่องอีกอย่างหนึ่งภาษานี่เป็นจึงเป็นสิ่งที่อันตรายมากถ้าเราใช้ภาษาถูกต้องเนี่ยภาษาเป็นสื่อทำให้เข้าใจกันแต่ถ้าเราไม่ระวังภาษานี่เป็นสื่อทำให้เราขัดแย้งกันทำให้เราเข้าใจผิดและตอนนี้เข้าใจผิดหมดนะธรรมะไม่ใช่ของ มนุษย์ฝ่ายเดียวแล้วไม่ใช่ของผู้ทีิสารนิกระชนเท่านั้นของสปปรรพสิ่งของสัตว์โลกทั้งหลายนิพานก็เป็นของมดมอดของแมลงถ้ามนุษย์เราเข้าใจสิ่งนี้แล้วเนี่ยการขัดแย้งจะลดลงแต่ถามว่าแก้ทันไหมไม่ทันไปเปลี่ยนโลกได้ไหมไม่ได้ แล้วทำอย่างไรทุกคนกลับมาทำใจนะการศึกษาทุกวันนี้สอนให้ไปทำงานสอนให้รู้วิธีทำงานไม่สอนวิธีทำใจเพราะสุขทุกข์มันเกิดขึ้นที่ใจนะมันเละไปหมดเลยเร็วๆนี้เนี่ยมีเคสตัวอย่างนะของเราเองนะ ด่านเม่นเพิ่งเปิดมาสองปีที่นี่ปีที่สี่ที่นี้เขาก็แจ้งมาแล้วสอวสอจะมาตรวจเรารู้วันที่แล้วเขาแจ้งมาเป็นเดือนละโอเคมันเป็นไปตามสภาวะปะกติของเขาเปิดครบสามปีปึ๊บปีที่สี่เขาจะเข้ามาเลยใช่ไหมแล้วเขาก็แจ้งมาแจ้งทางอินเทอร์เน็ตแจ้งทางโทรศัพท์มาบอกเราล่วงหน้าเราก็เตรียมระดับหนึ่งด่านเม่นไม่บอกเลยมาตุ้มเลยมาถึงก็ครจะขอเอกสารเอกสารบางเอินพ่อครูคิดว่าปล่อยเขา เพราะว่าถ้า พ, อพ่อครูไปเหมือน พ, อพ่อคูจะไปด่าเขาเราไม่ได้ด่านะเราจะไปบอกเขาว่าเราทําอะไรเขาไม่ฟังหรอกเพราะาเขาไม่มาเห็นสูงเราทําอะไรนะะก็ตรวจไปแล้วด่านเม่นได้พอใช้หมดมีห้ามาตรฐานพอใช้พอใจถ้าพอใช้เนี่คือสอบตกถ้าดีกับดีมากนี่คือสอบผ่านก็คือยอมรับมาตรฐาน โอเคพอใช้ก็พอใช้พอทีมนี้ก็มาบางเออเขาไปตรวจที่โน่นก่อนที่นี่บางเออเพราะกูก็อยู่ที่นี่วันนั้นเขามาวันแรกเขาก็ทานข้าวอาหารเช้าเขาก็เดินไปเ้าก็หวัดดีก็กูก็ไปขอขคุยด้วยเพราะกูใช้เวลาสั้นๆชี้ให้เขาเห็นว่าเราทาอะไรอยู่นะบอกพวกท่านเอาเครื่องมือมาห้าอย่างยกตัว อ, อย่างหนึ่งในเครื่องมือนั้นเน่ะคือเครื่อง วัดความดันแต่คนที่นี่เขาเป็นโรคเบาหวานทำไมถึงว่าอย่างนั้นคุณเอามาวัดแต่คุณภาพการศึกษาเรื่องวิชาการปัญหาคนที่นี่ไม่ใช่อย่างนั้นปัญหาของเขาคือเขายากจนเขายากจนเรามาเปิดการศึกษาที่นี่เพื่อแก้ปัญหาความยากจนให้เขาอันดับแรกคือพ่อแม่ไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลย แล้วครูที่นี่ก็บอกเขาว่าครูที่จบปริญญาตีโทเอกที่ไหนเก่งมากเลยมาอยู่ที่นี่ไม่ได้เพราะมันเช็ดขี้เช็ดเี่ยวเด็กๆไม่เป็นและไม่ยอมตื่นตีห้าเป็นรับเด็กชี้ให้เขาเห็นว่าอย่าหลงประเด็นนะเขาเครื่องมือห้าอย่างไปตรวจสอบคนทั้งประเทศโดยเฉพาะมาตรฐานสุดท้ายที่ว่าความสัำเร็ท์ทางการศึกษาเขาเอาอะไร เขาจะเอาข้อมูลข้อสอบผลสอบของโคนเน็ตคุณไม่ต้องมาประเมินที่นี่หรอก้วก็ถานเขาคืนว่าคุณมีเครื่องมือมาสอบคุณธรรมไหมไม่มีเอา้านั่นทำไมชูธงว่าคุณธรรมนำความรู้ไงเห็นไหมสังคมโลกก็เป็นอย่างนั้นแต่ไม่ใช่คนที่มาเขาผิดนะเขาถูกบังคับให้ถือเครื่องมือห้าอย่างมาสอบ ซึบือซึอบืพอเขาฟังพ่อครูแล้วเนี่ยเขาไม่กล้าถามอะไรเลยมีแต่แนะนําว่าเขาเห็นเกิดมายี่สิบกว่าปีทํา ง, งานตัว น, นี้มาไม่เคยเห็นใครทําขนาดดีเลยเขารู้เขาเข้าใจในเจตนาโอเครู้แล้วดีแล้วบอกก็มีอะไรที่ว่าต้องการให้เราทําบอกเขาเลยบอกว่าเขาต้องให้เราผ่านแน่นอนที่นี่แต่ว่าเมื่อให้ผ่านแล้วจะมีคนเข้ามาสืบดูเพราะว่ามันเคยมีคอร์รัปชันหลายโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนรัดเนี่เสียเงินเป็นแสนแสนก็เอานะ เพราะถ้าผ่านได้นี่พวกเขานี่จะได้ได้ผลงานนะได้เพิ่มวุฒได้อะไรก็แล้วแต่ของเราไม่เกี่ยวเห็นโรงเดียเนยอเอกชนของเราไม่เกี่ยวนะก็บอกเขาว่าถ้าที่นี่เนี่ยปิดพรุ่งนี้ก็ได้ด่านเม่นเหมือนกันปิดพรุ่งนี้ก็ได้พวกคูไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะถ้ารักชาติจริงๆเนี่ยต้องให้กําลังใจนะเขาอยู่ชายแดนที่นี่ก็ามาทุ่มเทเสียเวลาเนี่ย นะไม่ใช่มาจับถูกจับผิดอยู่อย่างนี้พราะกูปิดพรุ่งนี้ก็ได้แต่สามคนนี้เขาน่ารักมากนะเขาก็มานอนคุกคีอยู่ที่นี่สองสามคืนต้องมานั่งปฏิบัติธรรมกันเราบ้างอะไรเขาเห็นจิตนาของเราเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องอื่นเรื่องเล็กแต่เขาก็แนะนำเราว่าพอเขากลับไปจะมีคนจุมเขาก็แนะนําเออทาเอกสารอย่างนี้หน่อยนะเพราะว่าพวกที่มาตรวจเนี่ยเขาไม่ดูอย่างอื่นหรอกเขามีเวลาเขาดูแต่เอกสารเนี่ยไหมชุดที่มาตรวจด่านเม่นเขาบอกว่ายังไง เขาตอว่าครูโกว่าครูที่นี่ก็เยอะแยะเลยยังทำไม่ได้ที่อื่นเขามีครูแค่สามคนเขายังทำได้ทำอะไรได้นะทำเอกสารมาหลอกกันได้เน่ยเพราะครูบอกว่ามันไม่ได้มันเสียบ้านเมืองเสียหายก็เพราะอย่างนี้พ่กคูไม่ทำหรอกถ้าเราเป็นคนจริงทำจริงแล้วไม่ต้องกลัวอะไรเดินผ่านไม่ผ่านมันไม่มีผลอะไรสำหรับเราแต่เราทำเต็มที่ ครูเราบางคนไปเรียนวิทยาโทลเราก็ไปถูกบวงตจนนั้งคิดแบบนั้นแล้วก็ประเมินตัวเองต่ำๆด้วยบอกว่ า, วาถูกคืินหมดโง่เหมือนกันหมดเลยไอเก่งๆเนี่ยด็อตอร์เต็มบ้านเต็มเมืองตอนนี้บ้านเมืองเป็นยังไงนี่แหละคือจุดเริ่มต้นมันเห็นผิดเป็นชอบมันตั้งโจมให้ชีวิตผิดมันก็ดํำรีไม่ชอบมันก็ประเมินไม่ชอบก็เลยบ้านเมืองก็เสียหายไปหมดเลยคนไทยไม่เชื่อหรือกัน มาตรวจสอบมาจับผิดจับถูกกันแต่ที่นี่เราเกิดจากจิตสํานึกสามันสํานึกแล้วไม่ต้องมาตรวจหรอกไม่ว่าต่อหน้ารับหลังเธอไม่บังคับฉันเธอไม่มีเงินมาสักบาทหนึ่งฉันก็ทําอยู่แล้วสุดท้ายจบที่ว่าสังคมเลวสังคมไม่ดีไม่ใช่เป็นเพราะคนไม่ได้รับการศึกษาแต่เป็นเพราะคนได้รับการศึกษาที่ผิดฉันผิดหมดแล้วจะทำยังไง พวกเรากลับมาทำใจเวียงทิ้งเวียงทิ้งไม่ต้องไปโกรธเขาด้วยไม่ต้องไปโมโหเขาด้วยกรรมใครกรรมมันบุญใครบุญมันแต่เราไม่ได้พูดเพื่อเราจะไม่ทำพวกเราก็ทำทำด้วยสามันสำนึกด้วยจิตสำนึกของเราเราทำเราก็ได้ได้อะไรได้ให้นี่คือธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะหน้าที่เราคือทานศีลภาวนาการให้ทานเป็นหน้าที่ของเราไม่ต้องมีใครมาจ้างเรา แล้วก็ให้ให้สิ่งดีๆแก่เด็กๆแก่คนที่เขาได้อโอกาสส่วนให้แล้วเขาดีขึ้นก็อนุโมทนาสาธุเขาไม่ดีขึ้นก็เป็นกรรมของเขาไม่ใช่หน้าที่เราต้องไปแบกโลกโลกมันต้องเป็นไปตามกรรมไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ล้วแต่เราก็ทําทําต่อไปนะแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยมุ่งมั่นปฏิบัติ นะเสมอต้นเสมอปลายลูกโป่งถ้าเป่าเรื่อย ๆ, ๆมันมีเวลาระเบิดได้ถ้าเป่าแล้วก็แฟบพรุ่งนี้มาเป่าใหม่แล้วก็แฟบอีกพรุ่งนี้เป่าใหม่ก็แฟบอีกเนี่ยมันระเบิดยากนะวันนี้ก็สนทนาธรรมคับของพี่นกอยู่นะก็มาสอบอารมณ์กันคุยอะไรหลายอย่างท่านก็ก้าวหน้ามากแค่ปีกว่าๆที่มาเป่าลูกโป่งอยู่ที่นี่นะมันเห็นผลเป็นช่วงๆเป็นระยะ นะบางคนมาสอบที่นี่ตัวเองยังไม่ได้แล้วเท่าไหร่เนี่ยเพราะครูเคยนะไปทางเหนือมีคนมาสอบอารมณ์พระครูมาสอบสภาวะทำพอครูว่าพระครูบรรลุทำแล้วเหลือบอ่บรรลุทุกวันฝนะวดท้องเข้าห้องน้าก็บรรลุแล้วมันไม่เกี่ยวกับ ว, ว่าคนอื่นเขาบรรลุอะไรทํากันว่าตัวเองเนี่ยทาได้แค่ไหนนะทำไปทาม า, ม, ามันหลอก ทักลังเลสงสัยจะมาวัดสภาวธรรมครูบาอาจารย์อีมันไม่ใช่เรื่องศาสทธาที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่ไปสร้างลูกศิษย์ลูกหานะต้องสร้างตัวเองดำรงตัวเองนะส่วนลูกศิษย์ลูกหานั้นเขาต้องปฏิบัติเองอย่าให้เขาหลงครูบาอ า, า, นะ า, า, าจารย์นะถ้าหลงครูบาอาจารย์นี่มันเป็นเหมือนลัทธิ ก็ปีคูบาจารย์หมดเลยมันไม่ใช่ธรรมะนะอันนั้นไปได้ระดับหนึ่งสุดท้ายก็ตัง้งวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยพระองค์บอกคร่าวๆคือยึดหลักเครื่องมือคือสติปัฏฐานสี่แต่วิธีใช้เครื่องมือเราต้องไปค้นคว้าวิจัยเองตามจริตของตัวเอง ไม่ใช่ก๊อปี้เป็นแพ็กเกจเลยเป็นชุดวิชามาเลยเอาหนึ่งสองสามไล่หันขวาหาันที่สอนสอนกันอยู่มันเป็นอุดมคติเป็นลัทธิเป็นอุดมการณ์มันไม่ใช่ธรรมะธรรมะที่แท้จริงไม่มีธรรมะไอที่ไม่มีธรรมะนั่นแหละคือตัวธรรมะปัจจุบันถ่ายทอดไม่มีธรรมะแล้วจะมีธรรมะได้อย่างไรที่มันไม่มีธรรมะเพราะมันมีถูกมีผิดมีของเธอมีของฉัน มีรูปแบบชัดเจนมันไม่ใช่ธรรมะธรรมะมันไม่มีตัวหนังสือด้วยไม่มีภาษาด้วยแต่ทุกวันนี้มันเป็นอุดมการณ์เป็นรัฐที่เป็นเป็นชุดวิชาไม่ใช่ธรรมนะนะพราครูไม่จึงผูดพูดนะถ้าย้อนหลังไปดูสิ่งที่พครูเ อ, อเดินมาตลอดไม่รู้มีบางคนก็ไปรวบรวมข้อมูลเก่าอะไรเนี่ยยี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีคําว่าต้อง ตอนนี้ก็มีจุดใหม่มาบอกว่าสอนปฏิเวชเลยอุ้ยนี่โลดมีอยู่แล้วไม่ต้องไม่ตั้งไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องแช่ไม่ต้องอะไรอะไรก็ไม่ต้องหมดเลยนี่โลดมีอยู่แล้วว่างอยู่แล้วสว่างอยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องพ่อบอกไม่ต้องพูดไปบอกเธอต้องปวดน้ำทุกวันนะพวกกูก็งงนมันไม่ต้องได้ยังไงก็สูงมันไม่ต้องอยู่แล้วอะไรก็ไม่มีอยู่แล้วไปทาให้มันมีทาไมเห็นไหมอันตรายมาก ระวังนะโู้จะไปเอานิพานอยู่จังหวัดเลยอยู่ภูเขาฮิมาลายเนี่ยนิพานอยู่ตรงนนนน่าใจหายแต่จิตพกก่อครูฉลาดแล้วไม่พูดอะไรเลยเพราะว่ามันโดนหมายด่าหลายดอกเลยที่ศูนย์เนี่ยนะมีแต่เก่งๆงนั้นเลยตอนนี้จิตพกก่อครูมันเป็นจิตโง่ดีกว่าจิตนโง่โง่งแล้วบางทีเขายังไม่หลุดเขายังมีโอกาสให้ไปเรียนรู้ได้ยังกลับมาอยู่ ถ้าพวกครูไปใส่ตุ้มๆๆเด้งแล้วชาตินี้ไม่ต้องเห็นหน้ากันแล้วก็หลุดไปตลอดไหลไหลไห ล, า, หล า, าติด้วยมันน่าเสียดายแรงมากนะทุกคนยังต้องนิ่งๆนะอยู่ที่ตัวเองเยอะๆอย่าไปติดหว่วงความคิดมันจะปุงแต่งมันจะคิดเข้าข้างกิเลสจิตลิลตัวเองนะก็ก่อนจะหยุดก็ ก็ากำลังเล่งอยู่ก็เล่งก็เล่งเนี่ยช่างก็ไม่สบายบ้างอะไรบ้างฝนตกบ้างอะไรก็มันก็เท่าที่ทําได้นะคำก็เล่งอยู่ไอ้ไอ้กุดไอ้เรือนขาวข้างล่างก็คือคือตรงนั้นก็ต้องมีเลือนหลักไว้เรือนหนึ่งเพราะบางทีต่อไปเนี่ยไม่ฉีที่สัญจรมาหรือว่าแม้กระทั่ง ญาติโยมถึงเป็นผู้หญิงอะไรถ้าจําเป็นก็ไปพักที่นั้นได้ส่วนแม่ชีที่จําอยู่ที่นี่นะก็แรกๆ ก, ก็อาจจะไปใช้ตรงนั้นนะแต่เกิดว่าเอาชอบอิสระอะไรบางครั้งแล้วก็ไปปักกดหรือว่าหาผิดแต่ว่าตอนนี้หน้าฝนมันยังไม่ค่อยสะดวกอะไรแต่ถ้าระยะยาวแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยพ่อครูรู้เราต้องการสันตุอะไรแล้วก็ไปจัดที่พักที่เป็นส่วนตัวอะไรอยู่แต่ตอนนี้เนี่ยช่วงตน้ตนๆนี้เราก็ต้องฝึกนะอย่าไปติดสถานที่อะไรมากมายแล้วก็ ก็ต้องฝึกปิดการปีกวิเวกนี่มีประโยชน์นะแล้วก็มีโทษด้วยนะคือโดยเฉพาะศูนย์นี้จริงๆแล้วยี่สิบปีพ่อครูอยู่ที่นี่ก็ไม่เคยมีเรื่องอะไรหรอกแต่ตรนนั้นเป็นตะเข็บเป็นตะเข็บ เ, เ, เหมือนมันอยู่ร่องนะ้ําวังเอิอนว่าถ้าจำพังคนในหมู่บ้านแถวนี้ไม่เป็นไรแต่มันจะมีคนทางฝนะั่งน้ำบางทีเขามาจับปลาอะไรด้วยเนี่ยทาไมพ่อครูทาเรือนใหญ่เหมือน บังเอิญป้าใหญ่ก็ใจบุญก็ไปขนไอ้หน้าต่างอะไรมาที่นี่ไม่เคยมีนะที่ไปใส่กรงเหล็กอะไรแบบนี้มันก็มันมีอยู่แล้วก็เอาขึ้นไปมโนธรรมเอาขึ้นไปขึ้นไปใส่ๆไปเลยนะอะไรที่ประหยัดได้เราก็ประหยัดมันออกเข้าไปเลยกลายเป็นเหมือนห้องขังหน่อยหนึ่งแล้วก็ห้องน้ํำนี่พวกครูกระบอกนักธรรมไม่ชิดเลยอะไรคือกลางคืนค่าคืนดึกๆเราจะเข้าห้องน้ําอะไรมันก็ โดยเฉพาะข้างล่างเป็นสุภาพสตรีทั้งหมดแล้วก็มีชิดส่วนถ้าเราอยากจะปีกวิเวกหรืออยากจะไปในะที่เราเยอะแยะสองอ้อยกว่าไล่นะเดี๋ยวค่อยๆขยับขยายนะคิดว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยเราเราก็ไม่ชีที่แข็งแกร่งแล้วอะไรอยากอยู่เป็นส่วนตัวเนี่ยเราก็จะมีเรือนเล็กๆอะไรให้แบบนีก็ใช้เวลาหน่อยหนึ่งคือบางครั้งก็อย่าไป ยึดมั่นถือมั่นอะไรการปีเวทที่บอกว่ามีคุณแล้วก็มีโทษด้วยมันจะทำให้เราแข็งแกร่งด้านหนึ่งแต่จะทำให้เราอ่อนแอด้านหนึ่งนะถ้าแข็งแกร่งจริงๆนี่เราอยู่กับใครก็ได้นะต้องฝึกอวยตนะกระทบไม่กระเทือนไม่ใช่หนี10นะกว่าปีก่อนมีพระภิกษุชาวอิสราเอล สองลูกที่วัดป่านานาชาติพอทําพิธีพระราชทานลินศพหลวงพ่อชาเราแล้วเนี่ยตอนนั้นช่วงนั้นเขาก็เริ่มเหมือนพึ่งแตกหลังใใคล้ายๆว่าวิ่งหาสแสวงหาเพราะไม่มีครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยส่วนหนึ่งมาหาพรนะครูะสองลูกก็ลูกหนึ่งนี่ยเขาทําปริญญาเองทางเรื่องศาสนาพุทธนะเขาก็มาบวชที่นี่แล้วก็เขาก็มาลาว่าเขาจะไปเกาหลีมหาวิทยาลัายแห่งหนึ่งเนี่ย เขาไปเข้าปรรษาสามเดือนนั้นหน่อยอยู่ในห้องโถงยาวทั้งหมดอยู่ด้วยกันหลายรูปเป็นร้อยนั่นในสามเดือนนั้นน่ะกินอยู่หลับนอนปฏิบัติธรรมทุกอย่างในนั้นแต่ไม่ให้พูดกันแม้แต่หนึ่งคำพอเขาออกจากนั้นปุ๊บเขากลับมาเมืองไทยเขาวิ่งมาพรอคุยเขาก็เล่าเหตุการณ์นี้ฟังเขาบอกอยู่ในนั้นมันสบายสบาย เพราะมันไม่ได้กระทบอะไรเลยเสียงงก็ไม่ได้ยินใครพูดอะไรก็ไม่มีพอออกมาก็บอกว่าแกมืดตื้อเลยรับประลมเต็มเต็มเลยนะอันนี้ก็เป็นเคสตัวอย่างหนึ่งนะ